เรื่องเล่ามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันจากแฟนเพจพระเจอผีที่ส่งเรื่องเข้ามาโดยคุณจตุรงนะคะ คุณจตุรงบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2553ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วนะคะหลักสูตรเนี่ยพอขึ้นระดับปวช3ทุกแผนกก็ต้องไปฝึกงานในเทอมแรกของปี3ซึ่งทางวิทยาลัยที่คุณจตุรงได้เรียนอยู่นะคะก็ได้หาที่ฝึกงานไว้ให้แล้วซึ่งก็เป็นโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี ทางบริษัทก็ได้เช่าห้องไว้เพื่อเป็นที่พักสําหรับนักศึกษาฝึกงานที่คุณจตุรงแล้วก็เพื่อนได้ไปพักนี่ก็จะเป็นแมนชั่น4ชั้นในวันแรกที่ไปถึงค่ะก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าทางเข้าแมนชั่นเนี่ยมันจะเป็นทางเล็กๆข้างทางก็จะมีป่ามะม่วงถัดไปก็จะเป็นป่ามันสําปะหลังนะคะแล้วก็ที่แปลกๆเนี่ยก็คือที่แมนชั่นนั้นหรือว่าที่อาพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยคือไม่มีสารพระภูมิเลย พอไปถึงคุณจตุรงแล้วก็เพื่อนก็ได้แบ่งกันไปตามห้องที่คนดูแลเนี่ยเขาจัดไว้ให้นะคะอาทิตย์แรกผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่อาทิตย์ที่สองค่ะคนที่ชื่อบาร์เป็นเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกัน วันนั้นเนี่ยก็ไปกับเพื่อนอีกสามคนก็มีการเข้ากะเดียวกันยกเว้นคนชื่อบาทนะคะคุณจตุรงบอกว่ า, าคุณจตุรงพักอยู่กับคนชื่อบารแล้วก็คนชื่อแหลมแล้วก็คนชื่อบูมส่วนวันนั้นเนี่ยชื่อบาทเนี่เล่าให้ฟังว่าคือนอนอยู่บนเตียงนี่แหละประมาณสามทุ่มก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงก็เลยบอกว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊เหมือนมีคนมานอนทับนะคะซึ่ง ทำให้ขยับตัวไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกเลยแต่ก็สามารถลืมตาได้อยู่นะแล้วก็บอกว่าเห็นผู้หญิงคนนึงมาทาักนั่งทับอยู่นะีคะพ อ, อะทุกคนได้ฟังเนี่ยก็พากันหัวเราะ ก, กันยกใหญ่ค่ะโดยเฉพาะคนชื่อแหลมเนี่ยที่เป็นคนปากปากวัยหน่อยปากไม่ค่อยดีหน่อยก็เลยบอกว่าผีเผอมีที่ไหนถ้าแน่จริงนะเดี๋ยวจะจับทําเมียให้ดูเลย ซึ่งคืนถัดมาคุณผู้ฟังเป็นวันหยุดค่ะทุกคนก็ได้หยุดครบกันหมดเลยแล้วก็ชวนกันไปนเที่ยวทะเลแต่ว่าคนชื่อแหลมนี่บอกว่าอ่าไม่ไปเดี๋ยวเฝ้าห้องให้หลังจากที่เที่ยวกลับมาก็ดึกนะคะประมาณ 4-5 หทุ่มค่ะคนชื่อแหลมก็มารออยู่หน้าแมนชั่นแล้ว ซึ่งอยู่ในอาการตัวสั่นตกใจเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยถามไปได้ความะะว่าคนชื่อแหลมเนี่ยนอนกลางวันอยู่ในห้องพอตื่นขึ้นมาก็ประมาณ6โมงครึ่งแล้วนะฮะใกล้จะทุ่มนึงแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาคือเห็นเป็นผู้หญิงค่ะยืนอยู่ด้านหลังห้องผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วก็ยิ้มให้แค่นั้นแหละค่ะวิ่งแบบไม่คิดอะไรเลย พอคนที่ชื่อบาทได้ยินก็เลยเสริมเข้าไปอีกบอกว่านั่นไงกูว่าแล้วไม่เชื่อกูตั้งแต่นั้นมานะคะทุกคนก็ไม่กล้าอยู่ห้องตามลำพังคนเดียวอีกเลยแล้วก็อีกสามวันต่อมาค่ะคุณจตุรงเนี่ยก็ได้อยู่ห้องกับคนชื่อแหลมเพราะว่าคนชื่อบูมกลับบ้านส่วนบาทก็เข้ากะ วันนั้นก็อยู่กับแหลมสองคนแล้วก็ประมาณ3ามทุ่มแหลมบอกว่าหิวข้าวก็เลยชวนกันไปซื้อมาม่าที่ร้านขายของชํห า, าหน้าปากซอยซึ่งโดยคุณจตุรงเองเนี่ยนะคะบอกว่าไม่อยากไปอ่ะขี้เกียจไปแล้วก็ให้แหลมเนี่ยไปคนเดียวขณะที่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่นั้นค่ะก็มีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นซึ่งโดยปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะถ้ามาในลักษณะดีนะก็นอนมองร่างนั้นอยู่สักพัก แล้วเขาก็หันหน้ามายิ้มให้แล้วก็ค่อยๆจางหายไปซึ่งพอคนที่ชื่อแหลมเนี่ยกลับมาจากไปซื้อบะหมี่นะคะก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจนเช้าค่อยเล่าให้ฟังเมื่อคนที่ชื่อแหลมซึ่งเป็นเพื่อนของคุณจตุรงเนี่ยนะคะได้ฟังเรื่องนี้ก็พูดเหมือนกันกับคนชื่อบาตเลยบอกว่านั่นไงกูว่าแล้วคุณผู้ฟังคะคุณจตุรงบอกว่าแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือผมกะว่าจะไปซื้อธูปเทียนมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางพอไปถึงร้าน เขาบอกอ่าไปบอกบอกป้าเจ้าของร้านบอกว่าเอาทูปแล้วก็เทียนอย่างละห่อครับป้าก็เลยมองหน้าแล้วก็พูดว่านี่เจอกันมาแล้วใช่ไหมผมเนี่ยถึงกับตกใจเลยแล้วป้าก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ต้นไทรหลังแมนชั่นเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงผูกคอตายเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าแฟนทิ้งไปมีผู้หญิงอื่นก็เลยมาผูกคอตายที่ต้นทานี้แต่ก่อนเธอกับแฟนก็พักอยู่ที่ห้อง305เหมือนกันคือห้องที่ทุกคนพักอยู่นั่นแหละ พอได้ทูปได้เทียนมาแล้วก็เลยจัดการไหว้เจ้าที่โดยจุดทูปเทียนปักไว้ที่กำแพงหน้าหอพอวันต่อมาก็พากันไปตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเธออีกเลยเรื่องของผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับ อ่ะขอบคุณคุณจตุรงค์ด้วยนะคะนี่แหละเขาบอกว่าไปนอนต่างที่ต่างถิ่นก็ต้องเคารพสถานที่ในการใช้คําพูดคําจาในการบอกกล่าวเจ้าของที่เขาด้วยนะคะเพื่อความสบายใจในการเข้าพักนะคะวา่าจะได้ไม่ต้องพบเจอกับสิ่งอะไรแปลกๆหรือว่าอะไรที่ทําให้เราตกใจกลัวนั่นเองค่ะ เรื่องต่อมาถูกส่งเข้ามาในแฟนเพจนะคะของพระเจอผีเช่นกันโดยคุณนรงวงชนะนะคะบอกว่ า, าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยคือก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อต้นเป็นคนจังหวัดศรีสะเกตอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ถิ่นผีหลายพูดได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเขมรเริ่มเลยแล้วกัน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี5้านะคะช่วงสงกรานปีนั้นเนี่ยคุณต้นเองก็ได้พาน้องเมียเนี่ยไปขอขมาต่อพ่อแม่ของน้องสะพ้ายเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กินกันมาก่อนน้องสะพ้ายอยู่ที่จังหวัดอุดร น, น้องเมียอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลซึ่งการเดินทางออกจากบ้านผมที่ภูสิงห์ตอนเย็นไปรับพ่อแม่ของน้องเมียที่อุบลถึงประมาณสามทุ่มก็เตรียมข้าวของเสร็จก็เลยเดินทางต่อมุ่ง้ ไปที่จังหวัดอุดร น, นะคะทีนี้เนี่ยคือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนขากลับพอไปขอขามาผูกข้อไม้ข้อมือกันเสร็จเรียบร้อยคุณต้นก็ต้องเดินทางกลับในตอนเย็นวันนั้นขากลับก็ต้องแวะส่งพ่อตาแม่ยายก่อนส่งเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางต่อเพื่อกลับบ้านที่ตัวเองอยู่คือที่อําเภอภูสิงห์ตอนนี้เนี่ยก็เหลือคนในรถก็รวม4ี่คนแล้ว เบาหลังนี่ก็จะมีภรรยาของของคุณต้นเองกับเพื่อนของเขาแต่ว่าสองคนนี้นี่คือนั่งหลับแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างดึกส่วนเบาหน้านี่ก็จะมีแม่ของคุณต้นนั่งคั่วกับคุณต้นมาแม่ก็จะเคี้ยวหมากไปตามเรื่องตามราวของคนแก่นะคะรถก็วิ่งออกจากอำเภอศรีเมืองใหม่มาได้ร่วมๆชั่วโมงก็มาถึงทางเลี่ยงเมืองจอนอุบลราชธานี คุณต้นใช้เส้นเอเรี่ยงเมืองนี้เพราะว่าถ้าผ่าเข้ากลางเมืองนี่ก็กลัวจะหลงทางพอรถวิ่งมาเส้นเรี่ยงเมืองสักพักหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ย ม, มันก็ดึกพอสมควรแล้วนะคะพระจันทร์หรือว่าเดือนเนี่ยก็กำลังจะโผล่ขึ้นมาจากฟ้าก็พ้นยอดมะม่วงที่ว่านี่ก็สูงประมาณสักห้าเมตรได้ซึ่งตอนแรกก็ขับรถมาเพลินๆค่ะมองไปไกลๆ ล, ลมก็เย็นๆเพราะว่าเปิดกระจกกับลม ตาก็ดันไปมองเห็นดวงไฟดวงหนึ่งเข้าเป็นไฟเรืองๆสีจะออกเขียวๆก็ไม่ใช่จะส้มก็ไม่เชิงจะเหลืองก็ไม่ใช่อีกซึ่งเป็นแสงที่มองแล้วนี่ไม่แสบตานะออกจนนวลๆก็คือต้องบอกก่อนนะคะคุณต้นบอกว่าแสงแบบนี้เนี่ยเคยเห็นบ่อยแต่ไม่ชัดเจนเท่าครั้งนี้ที่เคยเห็นแถวบ้านตอนไปส่องนกส่องหนูตามไร่ตามนาก็ยังสงสัยว่ามันคือแสงอะไรกัน รุพีก็บอกนะคะว่าแสงผีพงก็เออ อ, อหอหมอกกันไปแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยถึงกับกระจ่างเลยทีเดียวคือช่วงทางที่วิ่งมาเนี่ยมันเป็นถนนสี่เลนก็จะห่างจากรถของคุณต้นไปถึงที่แสงเนี่ยก็ประมาณระยะประมาณเสาไฟฟ้า1นึงหรือ30เมตรนะคะคือมันค่อนข้างใกล้แล้วก็เห็นชัดพอสมควรพอดีค่ะที่เขาขับรถมาถึงช่วงที่มันขนานกันกับแสงนั้นซึ่งแสงที่ว่าเนี่ยมันอยู่ทางขวามือ บังเอิญแสงเจ้ากรรมก็ลอยขึ้นพ้นยอดมะม่วงพอดีเลยคุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะแสงจันทร์อยู่หลังต้นมะม่วงทุกคนก็จะเห็นต้นมะม่วงเป็นรูปเป็นร่างมองทะลุปุปโปรงกันเลยแล้วแสงที่ว่าเนี่ยถ้าลอยขึ้นพ้นต้นมะม่วงไปก็จะเห็นชัดขนาดไหนโอ้โหคุณต้นบอกว่ามันคือรูปของหัวค น, นะคะ่ะผมยาวประมาณบ่าแต่ว่ามันไม่มีบ่านะมีแค่หัวกับดวงไฟข้างล่าง แต่ไม่เห็นไส้นะครับผมก็แค่ตกใจน่ะสิแต่ก็คุมสติไว้แล้วก็รีบขับรถมาจนถึงทางเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าเส้นทางไปอำเภอกันทรารลมพอดีมีปั๊มปตท อ, อยู่ทางขวามือ<ๆ>ก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดพักคือไม่ไหวแล้วยิ่งเป็นคนขี้กลัวด้วยพอจอดรถได้ว่าจะเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยชิงพูดก่อนบอกโห้ oh, เป็นเงาหัวเลยหนูเอ้ยเห็นเหมือนแม่บอกทุกอย่างเลย คุณต้นบอกไอ้ผมก็หลงกลัวอยู่คนเดียวนึกว่าแม่หลับอืม น, ะแมนะแม่นะแม่แล้วรองครับว่าเรื่องที่เล่าคือเรื่องจริงที่เกิดกับตัวเองแต่ว่าภรรยาผมกับเพื่อนนี่คือเขาไม่รู้อะไรเลยคือน่าจะลากไปให้กระสือกัด <laughs> อยากได้เมียใหม่ใช่ไหมไ <laughs> ลายนะคุณต้นนะอาขอบคุณด้วยค่ะสําหรับเรื่องเล่าแบบนี้นะคะ มีอีกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าค่ะดินโป่งผีโป่งเจ้าแห่งสัตว์ป่าใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับพูดผีพิซาัดที่อยู่ในป่านะคะฟังเรื่องนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนค่ะตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตายายเกี่ยวกับเรื่องการหากินของสัตว์ป่าไม่ว่าจะไปกินน้าดินโป่งหรือลูกไม้ก็ตาม ซึ่งสมัยนั้นเชื่อกันนะคะว่าสัตว์ป่าแต่ละฝูงนั้นเนี่ยจะมีผู้ซึ่งคอยดูแลอยู่หรือที่เรียกกันว่าเจ้าของสัตว์ป่าเขาก็จะคอยควบคุมสัตว์ป่าแต่ละตัวให้อยู่ในกฎถ้าสัตว์ป่าตัวไหนเกเรก็จะถูกคัดออกให้เป็นเหยื่อของพรานไปพรานป่าในสมัยก่อนนั้นมักจะอธิษฐานขอสัตว์ป่าที่เกเรก่อนที่จะเข้าไปล่าสัตว์นะคะ เคยได้ยินจากคนเท่าคนแก่ค่ะคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งได้ไปนั่งห้างล่าสัตว์ในดงดิบทึบแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากในระหว่างที่รอสัตว์มากินลูกไม้อยู่นั้นก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งหลังจากนั้นก็เห็นคนคนหนึ่งเนี่ยใสยก่กางเกงแบบโจงกระเบนสีแดงค่ะแต่ว่าไม่ใส่เสื้อมีผ้าแดงโพกที่ศีรษะยืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หายไปเข้าไปในป่านะคือเดินเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วก็หายไป สักพักหนึ่งนะคะก็มีฝูงหมูป่าค่ะเข้ามากินลูกไม้คนที่เป็นนายพรานเนี่ยก็เลยยกมือขึ้นพนมนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าขอสัตว์ป่าที่เกเรสักตัวหนึ่งด้วย สักพักหนึ่งสัตว์ป่าก็ค่อยๆทยอยกลับเข้าไปในป่าค่ะแต่ว่ายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะที่ยังกินลูกไม้ยังไม่หมดนะคะก็เลยยกปืนเล็งลํากล้องไปยังหมูป่าตัวนั้นแล้วก็ลั่นไกลออกไปเสียงปืนดังสนั่นป่าพร้อมกับเสียงร้องของหมูป่าตัวนั้นมันล้มลงดิ้นอยู่บนใบไม้แห้งแล้วก็หยุดแน่นิ่งไปอยู่ตรงนั้นก็นายพรานคนนี้ค่ะก็เลยรีบบรรจุลูกปืนแล้วก็นอนเฝ้าหมูตัวนั้นอยู่บนห้างจนถึงเช้าค่อยกลับบ้านนะคะ ดินโป่งเป็นอาหารโปรดของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็แตกต่างกันออกไปค่ะบางแห่งนั้นก็มีสัตว์ป่ามากินอย่างชุกชุมแต่ว่าบางแห่งแทบไม่มีสัตว์ตัวใดเข้ามากินเลย วันนี้บีเองก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับดินโป่งแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าโป่งเขาแหลมดินโป่งแห่งนี้มีสัตว์ป่ามากินกันอย่างมากทําให้พรานป่าต่างมานั่งห้างกันเป็นประจําแต่ว่านั่นแหละนะคะนายพรานแต่ละรายค่ะต่างก็เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างกันไปบางคนก็ได้ยินเสียงสัตว์นั้นมากินดินโป่งเป็นฝูงแต่เวลาเปิดไฟกลับไม่เห็นแม้แต่วีวแววของสัตว์สักตัวเดียวเลยบางคนก็เห็นสัตว์ป่าแต่พอยิงแล้ว เห็นมันหายไปต่อหน้าต่อตาจนทำให้โป่งนี้กลายเป็นโป่งอาถรรพ์เพราะต่างก็ว่ามีผีโป่งสถิตอยู่ถึงเวลาผ่านไปนานแล้วนะคะแต่ว่าโป่งนี้ก็ยังคงมีร่องรอยของสัตว์ป่ามากินดินโป่งอย่างชุกชุมเช่นเดิมแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครกล้าที่จะมานั่งห้างที่นี่อีกต่อไปจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านแถบนี้แหละ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะแล้วก็ได้เที่ยวไปในป่าแล้วก็พบป่าโป่งอ่าพบดินโป่งตรงนี้เข้าเขาก็เลยมานั่งโป่งนี้แล้วก็ได้พบเหตุการณ์เช่นเดียวกัน เหมือนคนอื่นๆที่พบนะะีคะจากประสบการณ์การเดินป่าของเขาก็เลยทำให้รู้ทันทีว่าโป่งแห่งนี้เนี่ยมีวิญญาณของสัตว์ป่านานาชนิดยังคงวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาก็เลยทำพิธีเปิดโปง่งขอการโดยการนําปลอกกระสุนปืนที่เคยยิงสัตว์เนี่ยมาฝังไว้ที่โป่งแห่งนี้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณสัตว์เหล่านั้นออกไปไม่นานโป่งนั้นก็กลายเป็นโป่งร้าง ไม่มีแม้แต่สัตว์ป่าตัวใดเข้าไปกินแต่ว่าเรื่องราวของโป่งนั้นก็ยังเป็นที่เล่าสืบต่อกันมานะคะวิญญาณสัตว์ที่ถูกฆ่าตามโป่งเนี่ยเชื่อกันว่ามันจะมีความผูกอาฆาตเมื่อมีโอกาสนะมันจะใส่ยําลงในตัวคนค่ะตามป่าทั่วไปเราก็จะพบสัตว์ป่ากินโป่งซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารพิเศษบำรุงให้สัตว์สมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ต้องกินโป่งหรือว่าง้วนดินเสริมพลังงาน ดินโปง่งแต่และที่ก็มีความต่างกันไปบ้างตามความเข้มข้นของาธาตุอาหารขณะเดียวกันค่ะาธาตุเหล่านั้นบางครั้งมีพิษต่อคนบางคนที่มีความต้านทานไม่เพียงพอหากเดินไปใกล้หรือว่าลงไปในดินโปง่งก็จะเกิดอาการเรียกว่าผีโป่งใส่ยำนั่นเองปูปั่นแข้งแค่เตียวปอกกะแดกปอกกะแดกกระโขกกระเพกไม่สมประกอบ เพราะตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยเขาชอบอนำสีนาดยาวไปส่องสัตว์ที่ลงกินโป่งตามป่าสิ้นเสียงสีนาดสัตว์ป่าไม่ว่ากวางเก้งดิ้นกระดาวกระดาวสายตาเบิกโพลงด้วยความแค้นทั้งทั้งที่เลือดสา์ยังปิ้มใจทนอดเหลือกตามองว่าใครเป็นผู้ยิงมัน ทั้งๆ ท, ท, ที่มันหากินอย่างสุดจริตไม่ได้เบียดเบียนใครวิญญาณสัตว์ตัวแล้วตัวเล่าเมื่อสิ้นใจเปลือกตามันก็อ้าลืมไม่ยอมปิดวิญญาณยังคงเลื่อนลอยไปมาอยู่แถวดินโป่งด้วยแรงอาฆาตแล้วก็ห่วงแหนถิ่นที่เป็นที่อยู่อาศัยของมันนะคะก็เลยกลายเป็นผีเฝ้าโป่งที่ผู้คนเรียกกันนะคะว่าผีโป่งดงดาค่ะ บางครั้งเมื่อมันสบโอกาสเห็นคนหลายๆคนกําลังส่องสัตว์มันก็จะตะแหลงแปลงร่างเป็นสัตว์เข้ากําบังตัวคนผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อหลอกคนอื่นๆให้หลงเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าจึงยิงร่างผีสัตว์กําบังสิ้นเสียงปืนกลับเป็นเสียงร้องของคนคโอดโอยครวนครางกลายเป็นว่าพรานล่าสัตว์ยิงพรานด้วย ก, กันเองกลายเป็นผีเฝ้าโป่งไปอยู่กับวิญ ญ, ญาณสัตว์ต่อไปตามเวรตามกรรมบางครั้งนะคะวิ ญ, ญญาณผีโป่ง มันก็ใส่ยำเหมือนกันคือง้วนพิษป่งลงไปในตัวคนที่เดินล่าสัตว์ตามโป่งจนมีอาการหัวเข่าบวมเป่งผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าโรคโป่งหากรักษาไม่ถูกทางเนื้อตอนหัวเข่าจะเปื่อยยุ่ยกระดูกเข่าหล่อนเลาะเคาะแข้งหลุดจากขาเกิดจากการเจ็บปวดทรมานจนกลายเป็นคนขากุดด้วยแต่บางคนรักษาถูกทางก็เพียงแค่ว่าอาการบวมยุบตัวลงเหลือเพียงหัวเข่าบุ๋มปักเค็ เดินกระผกกระเพกไม่สมประกอบภาษาล้านนาเรียกกันว่าเสียองกะนะคะผีโป่งดำนี่มันมียำนะมียำยำคือพิษค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงง้วนดินเนี่ยที่รสชาติอร่อยให้กลายเป็นง้วนพิษที่สุดโหดอมผู พ่นใส่หัวเขา่าคนที่ลงไปเก็บซากสัตว์ป่าในโป่งจนป่วยสมกับกรรมที่พวกเขาได้กระทําต่อสัตว์ป่านั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องผีโป่งดงดำแล้วก็เรื่องของผีโป่งมันบังตาให้ยิงพรานด้วยกันนะคะ เดี๋ยวบีจะมาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวตำนานผีล้านนาค่ะเรื่องของผีป่าเลี้ยงหมูโทนผีป่าคล้ายคนตัวเล็กๆเลี้ยงหมูโทนตัวโตอยู่ในป่าผู้คนยิงหมูปืนแตกลือกันว่าเป็นหมูผี เราๆคนทั่วไปมักจะเห็นพี่น้องที่เป็นควันช้างแม้จะเป็นคนตัวเล็กค่ะแต่ก็เลี้ยงช้างบังคับช้างตัวใหญ่ตัวโตให้ทำงานหนักได้สบายๆเราจึงได้ไม้ท่อนใหญ่มาสร้างบ้านสร้างเรือในสมัยก่อนก็เพราะแรงงานช้างลากไม้นี่แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเรื่องผีๆสางๆที่เลี้ยงหมูทนในป่ายิ่งทำให้สนใจแล้วก็สืบค้นกันไปใหญ่ เรื่องมีอยู่ว่าสองนายพรานป่าคนนึงชื่อดาผีให้เพราะว่าปราบผีมานักต่อนักแล้วละค่ะอีกคนหนึ่งชื่อจันนกตื่นเพราะว่าไปที่ไหนในป่านกต้องตื่นนี้เพราะว่าเก่งในการล่านกเป็นอย่างยิ่งมาวันหนึ่งนะคะ2นายอสองสหายทั้งในาดาแล้วก็ในจันเนี่ยพากันออกล่าป่าดงตามเคยค่ะเขาทั้งสองก็ออกไปทางป่าห้วยตึงเท่า ที่อยู่เหนือสนามกีฬา700ปีของเชียงใหม่ก็เอารถเครื่องจอดพักแอบซ่อนในดงหญ้าป่าก็พากันเดินลัดเลาะจากห้วยตึงเท่ า, าขึ้นไปตามร่องห้วยน ะ, ะจนถึงยอดเขาอีกลูกนึงที่เรียกกันว่าดอยห้วยเย็นเห็นน้ําใสดังที่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าในใจก็นึกว่าเอ๊ะที่นี่เคยมีพลทหารมาจมน้ําตายเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็เลยเด็ดดอกไม้ริมทางบอกเจ้าที่เจ้าทางขอขมาที่เข้ามาล่วงเกินมาหากินมาล่าสัตว์ในป่า ทีนี้เนี่ยพอเดินผ่านไปเราสัก1ิก้าค่ะเห็นรอยเท้าของหมูใหญ่หมูน้อยหมูเล็กหมูโตนี่แหละคือซอกซอนกันเต็มไปหมดแสดงว่าเมื่อคืนก่อนฝูงหมูป่าเนี่ยมันพากันมากินหน่อไม้ที่นี่แน่นอนนายดาก็เลยบอกค่ะว่าเฮ้ยนี่เราจอดพักกันที่นี่แหละขึ้นห้างอยู่บนหง่าไม้รอดูเหตุการณ์สักครู่ว่าแล้วสองสหายก็วางสัมภาระลงบนง่ามไม้รอสร้างหรือขัดห้างบนง่ามไม้นะคะ ทั้งสองก็พักผ่อนหนุนถุงย่ามเอปืนแนบข้างคนละคนอ่าคนละกระบอกของแต่ละตัวเองเนี่ยนะคะจนม้อยหลับไปก็ไม่ใช่ว่าจะตื่นตาธรรมดาก็ไม่เชิงนะมันเป็นความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นยังไงชอบกิแต่ที่แน่ๆค่ะสองคนนี้เห็นหมูป่าทนตัวใหญ่เคี้ยวงาง้งเลยมีคนตัวเล็กสูงราวศอกเดินถือแท้ตามตัวหมูปา่าคล้ายจะเลี้ยงหมูตัวนั้นดูดูเหมือนกับควานช้างเดินตามช้างที่เลี้ยงว่างั้นเถอะ ในดาก็เลยหยิบปืนขึ้นเล็งเหนียวไก ย, ยิงหมูตัวโตเสียงปืนดังปังสถานป่าเลยนะคะทำให้ในจันทร์แล้วก็ในดาเองสะดุ้งตื่นมองกันเลืกลักเลืกลักหมูตัวโตที่เห็นนี่มันหายไปค่ะสองสหายพากันลุกขึ้นสอดส่องสายตามองหาหมูแต่ว่าเห็นแค่รอยเท้าใหญ่เท่านั้นในจันทร์ก็เลยเอามือทาบรอยเท้าหมูดูหูยมันใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือของเขานี่แสดงว่าตัวหมูนี่มันใหญ่จริงๆนะ แต่ที่น่าประหลาดใจค่ะตามรอยเท้าหมูเนี่ยมีรอยเท้าคนขนาดสองนิ้วปรากฏให้เห็นเดินตามรอยหมูขวักไข่ตามกอไม้ไผ่ป่าแถวนั้นผีป่าเลี้ยงหมูในดาเอ่ยขึ้นเราไปจากที่นี่ดีกว่าเขาบอกในจันนะคะสองสหายก็พากันไปพักในหมู่บ้านที่อของชาวเขาที่ยอดดอยสุเทพแล้วก็เล่าเรื่องที่พวกเขาพบให้ชาวเขาฟังพวกชาวเขาก็บอกว่า บรรดาชาวเขาเนี่ยเคยพบหมูตัวนี้เช่นกันแล้วก็มีคนตัวเล็กเดินตามเลี้ยงหมูตามผืนป่าพี่น้องชาวเขาบอกว่าคนตัวเล็กนั่นน่ะคือเจ้าของหมูโทนเคยมีคนยิงแล้วปืนแตกมือคนยิงนี่แหลกเละเพราะว่าแรงสะท้อนจากกระบอกปืนกลายเป็นคนแขนกุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวเขาบอกว่าหากจะยิงอ่าหากอยากจะยิงหมูเนี่ยต้องรอสักวันที่ปลอดยามที่เจ้าของมันหลับแล้วก็หมูโทนออกหา ก, กินในป่าเองตามลาพัง ตอนนี้แหละเราจะยิงตัวมันได้แต่ที่แน่ๆเราเองก็ไม่รู้ว่ายามปลอดคนเลี้ยงเนี่ยมันมียามใดเพียงแต่พบหมูเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับในฝันทั้งที่ยังไม่หลับเออแปลกแท้เนอะจะบอกฮึหมูเฮาผีป่าผีผีเลี้ยงหมูป่าโทนนี่มันก็ยังเป็นเรื่องลึกลับที่ต้องติดตามกันต่อไปหากยังมีแสงตะวันสองโลกใบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่บีนามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เอาละคุณผู้ฟังหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามช anel พระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ